บุ๊กทูยี่สิบแปดวนโองุมวโอุมกนรร้องเรียนวูฮุเทลปปลักกวูฮุเทลปปลักฝักบัวใช้งานไม่ได้ тушот не работи. тушот не работи. Ме и м и н а м ун. нема топла вода. нема топла вода. Кун ма сом мандай майкрап. можете ли тоа да го поправите? можете ли тоа да го поправите? н а и х о н г неи т о р а с а п วนเสารไม่มีโทรศัพทในห้องไม่มีโทรทัศน์วันเสาร์ไม่มทวีห้องไม่มีระเบียงเสาร์ไมมีบัลล ห้องนี้เสียงดังเกินไปห้องนี้เล็กเกินไปห้องนี้มืดเกินไป สบะตะอิรมนูกุเทมนาเครื่องทำความร้อนไม่ทำงานพารโนโตเนรับโนเนรับติเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานคลิมาอูเรดนรอดตเนรับติโทรทัศน์ไม่ทำงาน ทีวีรเอริปันทีวเอริปันผมไม่ชอบเลยตัวเนมิเซดปัยตเนมิเซดปัยมันแพงเกินไปตัวมเปรสคาโปตมเปรสคาโปคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ E e ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับมีม л и ยครับมีเบร и แ а ร์ฟรีใกล้ที่นี่ไหมครับมีมั้ยครมีเบรฟใกล้ที่นี่ไหมครับ มีรานอาหารใกล้ที่นีน่มัีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับมีรานอาหารใกล้ทีน่นี่มับมีนรนครับ